ทีนี้ต่อไปทีนมิธะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำเข้าคุกว่าเงินเถิดคดีนี้ถึงก็เข้าคุกสมัยต่อมาเขาพ้นจากเรือนจำพ้นจากคุกนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยและไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยเขาเพิ่งมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราถูกจองจําเรียกว่าติดคุกเหมือนกันบัตรนี้เราพ้นจากคุกพ้นจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้วและไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยเขาพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสเพราะพ้นจากเรือนจําพ้นจากคุกตารางนั้นเป็นเหตุนะคนที่ถูกถีณมิท่านี่ก็เหมือนกันนะเหมือนกับคนที่ถูกเข้าคุกเข้าตารางสังเกตดูนะอาการของถีนามิท่ามันครอบงําเป็นยังไง ในหน้า228บอกว่าภิกษุผู้ถูกถีนมิทะครอบงำนั้นแล้วเมื่อมีการฟังธรรมธรรมสวรนระการฟังธรรมธรรมมันจะในวิจิตพิสดารอย่างไรที่กำลังเป็นไปฟังไม่รู้เรื่องเนี่ย น, นะไม่รู้เรื่องอะไรเป็นเบื้องต้นของสูตรนี้อะไรเป็นท่ามกลางของสูตรนี้อะไรเป็นที่สุดของสูตรนี้ก็ เหมือนกันไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาอุปมาอะไรตรงไหนเป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสนาเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเข้าบรรลุมรรคผลอนุโมทนาสาธุการไม่รู้สักอย่างเพราะมวัวแต่หลับนั่นนะมัวแต่นั่งงกนังงั่งโยกนั่งเยกนั่นนั่นนะดี่ก็น่าสงสารเหมือนกันนะนะโอ้ยลงทุนมาจากบ้านไกลไกลเพื่อจะมานั่งหลับเนี่ยนะนั่นะน่าเห็นใจเนาะที่ก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้หลับมาหลายวันทำงานเหน็ดเหนื่อยบ้างตลอดสัปดาห์แล้วนั่นนะนะ ก็พอได้ยินเสียงฟังธรรมแบบขับกล่อมท่านก็พูดอยู่โทนเดียวเสียงเดียวว่างั้นเคยมีคนถามว่ า, <S <S วาเหตุให้เกิดทีนมิธะเนี่ยคืออะไรก็บอกว่าเสียงอาจารย์นั่นแหละว่างั้นนะไม่รู้ได้ยินเสียงเมื่อไร่มันง่วงๆๆเน่ยนะก็เลยบอกเอ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเหตุใกล้ของถีนมิธะเนี่ยนะเพพอบอกว่กาแม้พอบอกว่าเลิกเอวังใช้เวลาแต่เพียงตอนนี้ตื่นขึ้นนาตันทีเลยนะอะไรจะขนาดนั้น แ, แสดงว่าเหมือนกับถูกคนขังคุกเนี่ยนะ เรีกว่าเข้าคุกยามฟังธรรมก็ว่างั้นก็คือทีนามิทะกลุ่มรๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นเปรียบเหมือนบุรุษที่ถูกเข้าคุกในเรือนเท่าเข้าคุกเนี่ยนะในวันนักสัตว์เช่นวันวันวั น, วนที่เข้าท่องเที่ยวอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าคุกก็ไม่รู้เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแห่งงานนักขัตฤกษ์เขาพ้นจากเรือนจําในวันที่สองแล้วแม้ได้ฟังว่าเมื่อวานนี้มีงานรื่นเริงสนุกสนานมีการฝัต ขับร้องขับร้องเป็นต้นก็ไม่สามารถจะพูดอะไรเพราะตัวเองโมแต่เขา้าคุกวันก่อนไปที่วัดอุทยัยนี่นะแวะไปไหว้พระเจดีช่วงนั้นเป็นงานงานมาคะพอดีเลยนี่นะเขาก็มีคล้ายๆกับคุกคอกม้านะก็เหมือนกับซี่โครงแบบเนี่นะเขาบอกว่าแม้เอาไว้ติดติดแบบอะไรนะเพราะบ้านพักคนกล้าอะไรนั้นเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ไขกุญแจเหมือนกับเขาแบบเขาขังสุนัขอะนะ ก็ครับว่าถ้าใครแบบเนี่ยประซ่าหาเรื่องแถวนี้ก็เข้าไปอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันพอ ป, ปิดงานแล้วก็ใหไขกุญแจให้ออกเลยนะพราะพวกนี้คนอื่นเขาไปเที่ยวดูโน่นดูนี่เพลิิน ม, มหระสอบตัวเองก็มัวแต่เข้าคุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นงานทั่วๆไปเขาจะมีค อ, อกเนี่ยนะค อ, อกเอาไว้ดักมนุษย์เนี่ยนะอันนใครมีธุระมีเรื่องมีปัญหาในงานนั้นเขาก็จับเข้าค อ, อกเพราะฉะนั้นภาษาเนือเขาเรียกว่าค อ, อกเนี่ยนะค อ, อกของคน น, นะ คุกภาษาเหนือบอกไปไหนไอคนนั้นไปไหนเนระาบอกเข้าค อ, อกไปแล้วแปลว่าเข้าคุกเรียบร้อยแล้วนะภาษาเหนือคุกเขาเรียกว่าค อ, อกเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกความง่วงเหงาหานอนถูกทีนาะมิทะครอบงำก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นคนอื่นจะฟังธรรมอู้ธรรมะดีเหลือเกินสาธุพระพุทธความตัสรูดีของพระพุทธเจ้าพระพธรรมนี่ช่างดีแท้พระพธรรมนี่ช่างนำออกจากทุกนี้เหตุนี้ผลนี้ข้ออุปมาณี้ข้ออุปมายตัวเองมานั่งหลับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เขาพูดอะไรไม่รู้เขาสาธุกับขอสาธุไปกับเขากันลวกันเยนะ ก็เหมือนกับคนหูหนวกฟังเรื่องตลกเห็นเขาขำก็ขำไปกับเขาจริงไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกอันนี้ก็เหมือนกันคนที่นอนหลับฟังธรรมก็เหมือนกันเนี่ยนะพราะเาสาทุก็ตื่นมาสาทุเนี่ยนะทำตาเดือดเดืดดาดอยู่นะเนี่ยลักเล็กเล็กเนี่ยนะมันก็เลยไม่ได้ประสบรสแห่งพระธรรมด้วยอํานาจของถีนมิท h ะเพราะฉะนั้นถีนมิท h a เหมือนกับเรือนจําเนี่ยนะว่าจริงอะนะอย่างบางบางทีเนี่ยตอนที่จะอ่านพระไตรปิฎกในตอนมันงู ง่วงๆเนี่ยนะโอ้ใช่เลยนะเขายิงกับเข้าคุกเข้าตารางอันนะมันมันน้องไปอ่านก็นไม่ได้ฟังทำก็ไม่รู้เรื่องมันอยากง่วงอย่างเดียวเลยอันนี้แหละทีนัมิธาเหมือนเดือนจำนะเรื่องนั่งเกดูวันที่ฉันทานยาแก้หวัดใช่ไหมมานั่งยิ้มตาวานันเราห้อยอยู่ตรงหน้าเนี่ย <Yeah. S 1> นี่มาดูอุทธะกุกุจจะเนี่ยนะในหน้า2องย่อ็หน้าข้างล่างบอกว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษ พึ่งเป็นทาตเป็นขี้ข่าเป็นทาตเขาเนี่ยนะพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนมาไหนตามความพอใจก็ไม่ได้สมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากความเป็นทาตนั้นแล้วแต่นะพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเกิดว่าเป็นอิสระชนเป็นเสรีชนเนี่ยนะไปไหนมาไหนได้ตามความพอใจเขาก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเนี่ยเป็นทาตพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนมาไหนตามความพอใจไม่ได้บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาตนั้นแล้วเราพึ่งตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนมาไหนได้ตามความพอใจเขาก็พึ่งได้รับความปราโมทถึงความโสมนัสมีความเป็นไทยนั่นแหละเป็นเหตุฉันใดนะในหน้าสองย่ิบแปดจอนหน้าข้างล่างบอกว่าเหมือนอย่างว่า ทาดเนี่ยนะทาดแม้จะเล่นงานนกษัตว์เขาเรียกว่ากําลังมีงานพอดีเลยก็ถูกนายสั่งเข้ามากําลังเล่นเพลินบอกว่ามีกิจเร่งด่วนเจ้าจงไปในที่นั้นทันทีเขาเรียกว่าคําสั่งด่วนที่กําลังเพลิดเพลินอยู่นั้นเลยใช่ไหมคนที่เป็นทาดเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าทาดเป็นบริวารเนี่ยทำงานสุดแท้แต่ใบสั่งคนอื่นพักตัวเองก็ไม่ได้พักคนอื่นเที่ยวตัวเองก็ไม่ได้เที่ยวคนอื่นเขาพักผ่อนเขาอยากทําอะไรตามสบายของเขาตัวเองก็หมดแต่เข้าเวรเข้ายามอยู่นั่นแหละ เพราะฉะนั้นจะไปไหนก็ไม่ได้ทีนี้บางทีเนี่ยนะเขาสั่งให้ไปถ้าไม่ไปก็ถูกอะไรโบราณนี่เฮี้ย ม, มากตัดมือตัดเท้าสมัยนี้ก็บอกไม่ไปก็ปลดเนี่ยนะก็เรียกว่าบางทีก็สมัยก่อนเรียกถูกตัดหูตัดจมูกก็รีบไปทีเดียวเนี่ยนะคือบ้านเราในะยุคปัจจุบันไม่มีทาตเนี่ยนะเอาอุปมาเนี้อาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้าโบราณนะแม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยเนี่ยนะเรียก ว, ว่าเขาทารุณกรรมกับทาตในขนาดไหนแล้วก็ทาง ทางยุโรปก็เหมือนกันเขาขายคนแอฟริกาเนี่ยนะไปขายทางยุโรปเนี่ยคนเอาคนแอฟริกาไปขายขายทาสเนี่ยนะเขาซื้อขายเหมือนกับเราซื้อขายสุนัขซื้อขายวัวซื้อขายหมูซื้อขายไก่เนี่ยธรรมดาเนี่ยอันพวกนั้นก็เป็นทาสแล้วก็บางทีก็ทาสน่ยแถวตะวันออกกลางเนี่ยก็มีการค้าทาสเพราะฉะนั้นโบราณเขาบอกว่ามิชชาอาชีพอาชีพที่อุบาสกบาสิกาไม่ควรตามก็คือซื้อค้าขายทาสเนี่ยนะมองว่าบุคทาสเนี่ยเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง สมัยนี้ก็คืออะไรนะจัดส่งแรงงานเถื่อนนะนะก็คือกลุ่มนั้นนะนะ ก, ก็บางคนที่เวรกรรมมันยังไม่สิน้นไม่สุดนี่ก็ยังมาเจือเจอคล้ายๆกับแบบนี้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันทีนี้ผู้ที่เป็นทาสเนี่ยนะเพราะตัวเองเนี่ยไม่มีอิสระเป็นใหญ่ในตัวก็เลยไม่สามารถจะรู้เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแห่งงานนักษัตย์ถามว่าเพราะเหตุไรเพราะตนไม่เป็นใหญ่ชันใดภิกษุที่ไม่รู้ข้อปฏิบัติในพระวินัยก็เหมือนกัน ตัวเองเรียนวินัยมาไม่ดีเลยเนี่ยนะเรียนทั้งสังวรวินัยประหานวินัยเป็นต้นเรียนมาไม่ดีเลยไม่มีความรู้ทำมาวินัยเลยแต่อยากจะอยู่วิเวกเพราะฟังเรื่องวิเวกอยากจะไปอยู่เงียบๆเหมือนกันเดะพราะเขาได้ค้างว่าคนนั้นไปอยู่เงียบๆเขาเข้าพระลาสมาบัติก็อยากเงียบกับเขามั่งแต่คนอื่นเข้าไปแบบมีวิชามีความรู้ใช่ไหมไปแบบคนมีสุตตะไปแบบคนที่มีปัญญาแต่อันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรรู้แต่ว่าเขาไปนั่งเงียบๆกันอ่ะก็เลยไปบัาง พอไปเข้าเออะไรสมควรอะไรไม่สมควรก็ไม่รู้โดยที่สุดไม่รู้ว่าเนื้ออะไรฉันได้ฉันไม่ได้ก็ไปทําในสิ่งคือคือยิ่งสงบเนี่ยนะคนเนี่ยถ้ายิ่งวิเวกเนี่ยนะมันยิ่งวิปฏิสารยิ่งเดือดร้อนใจเอมันใช่หรือเปล่ามันผิดหรือมันถูกมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะก็คิดง่ายๆไทยอย่างสมมติถ้าเรานั่งกําหนดหายลมหายใจเนี่ยเอยเรากําหนดถูกหรือผิดเนาะแค่นั้นแหละมันก็จเจริญต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะ พิจารณาพระธรรมอะไรก็เหมือนกันขอให้สงสัยแวะเข้ามานิดเดียวนี่ก็ไปต่อไม่ได้แล้วกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยต่อไปไม่ได้แล้วหรือแม้กระทั่งอ่านพราไตรปิฎกแอบแปลผิดหรือแปลถูกคิดแค่นี้แล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนะเพราะไม่ถ้าเรารู้จะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดถ้าพระไตรปิฎกเนี่ยสืบทอดมาถูกหรือผิดถ้าคิดแค่นี้ก็เรียกว่ายากแล้วนะชันใด ผู้ที่ไม่รู้ในข้อปฏิบัติก็เหมือนกันทําไปทํามาเอ็นี่เป็นศีลหรือไม่ใช่ศีลเอ็นี่เป็นอาบัติหรือยังไม่เป็นอาบัติก็มัวแต่ละวิเวกไปเที่ยวถามหาวิไนัยทอนไปหาวิไนัยทอนเพื่อจะชําระศีลเนี่ยนะสมัยก่อนนี่เห็นประจําพระที่เรียนน้อยเนี่ยโอ้ยเที่ยวหาอาจารย์เพราะตัวเองสงสัยเนี่ยนะสงสัยอันนี้มันใช่หรือเปล่าเนาะอันนั้นมันใช่หรือเปล่าเนาะสงสัยทั่วไปหมดพลาดไปหมดเลยนะพลาดเอาไปมา ก็มีมีพระรูปหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะที่รู้จักกันโอ๊ยนั่นนักสงสยัยสงสัยจนได้ศึกนะเพรศึกไปแล้วก็เลิกสงสัยแล้วนะเพราะก็ก็สงสัยจนบวชอยู่ต่อไปไม่ได้เนี่ยนะไม่ใช่น้อยเลยเพราะตัวเองเรียนไม่ดีแล้วก็ไม่อยากเรียนด้วยนะก็ไปเที่ยวเจาะถามแล้วก็ไอคนนี้เหมือนเก่งเลยนะเหมือนเหมือนเหมือนฉลาดเข้าไปถามเนี่ยเขาจะไม่ถามคนเดียว เขาไปถามทีงสี่ห้าคนห้าหคนถามคนนี้ก็ตอบอย่างไอคนโน้นก็ตอบอย่างไอคนนี้ก็ตอบอย่างคือไม่รู้แหล่งว่าเรื่องนี้ที่ถูกใครควรจะตอบดีที่สุดใครมีความรู้ที่มาตรฐานที่สุดบอกไม่ปรึกษามั่วไปหมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะปรึกษาไอคนที่และไอคนที่ไม่รู้เนี่ยเชื่อไหม ให้คนรู้งูๆ ป, ปลาปลาเนี่ยนะพวกนี้ชอบฝันทงตอบเลยอย่างนี้สิอย่างงั้นสิไอ้อย่างงี้สิถูกอย่างงี้ผิดอู้ห้เก่งจริงๆเลยตอบไปฉะฉานมากเลยนะเออฟังแล้วมันน่าเชื่อถือเสร็จ แ, แล้วก็เอาคําเหล่านี้ไปถามบัณฑิตบัณฑิตเขาก็รอบครอบนะเออเหมือนว่าบัณฑิตชักรู้มันค่อยจริงละไม่เหมือนในคนนั้นเลยไอ้คนนั้นตอบฉะฉานเหลือเกินไอ้สงสัยก็ไปถามคนที่สม อ, อีกไอ้คนที่สามก็มั่วนิ่มไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยนะแล้วเขให้สงสัยไปหาคนที่สี่อีก คนที่4ี่เรวกกลับมาถามคนที่หนึ่งแล้วไล่ถามคนที่สองตกลงมาได้อะไรขึ้นมนะหนักกว่าเดิมเนี่ยนะยิ่งหนักกว่าเดิมยิ่งเครียดกว่าเก่ายิ่งในที่สุดก็ บวชอยู่ต่อไปไม่ได้เนี่ยนะคนที่เรียนธรรมะก็บางทีก็เหมือนกันนสงสัยปัญหาธรรมะก็เที่ยวถามแล้วเที่ยวถามทุกรัฐที่ด้วยเนี่ยแล้วเที่ยวถามทุกค่ายก็รู้ว่าสองคนนั้นมันพูดไม่เหมือนกันนะว่าถามคนนี้ทีไปถามคนนั้นทีถามคนนี้แล้วคนนี้ว่าอย่างนี้เอ า, าคาบคําของฝ่ายเนี่ยไปบอกฝ่ายโน้อนอ่ะเนี่ยทางโน้นเขาว่ามาอย่างนี้ฝ่ายโน้น ก, ก็กล้าวิจารณ์ก็ผ่าแหลกมาเลยแล้วก็ข้าบข่าวมาเล่าอีกฝ่ายหนึ่งฟัง ก็สองค่ายก็เลยทะเลาะกันเองเลยกันเนียเพราะเจอคนที่สงสัยคนเดียวเนี่ยนะก็เลยลาบปัญหาจากที่หนึ่งไปถามอีกที่หนึ่งตัวเองไปปฏิบัติอีกที่หนึ่งแล้วเอาข้อปฏิบัติของอีกสำนักหนึ่งไปถามอีกสำนักหนึ่งเนี่ยนะแท้ในที่สุดก็ทะเลาะกันเนี่ยนะพวกที่พวกครูอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยนะฟังคำแต่พวกกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มขาบข่าวเนี่ยขาบไปขาบมาก็เลย เป็นฆ่าสึกกันโดยไม่รู้ตัวทะเลาะกันได้โดยไม่รู้ตัวอยู่กันคนละฝักโดยไม่รู้ตัวบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเนี่ยนะไอ้หลายคนที่ถามบางทีก็จํำคาถามไปผิดๆทุกๆเนี่ยนะอย่างอย่างเขมาสังเกตดูหลายคนเหมือนกันเขาก็จําบอกว่าเออเนี่ยท่านว่าอย่างงี้มาเออเราจําไม่ได้ว่าเราเคยพูดอย่างนี้เนี่ยนะนึกไม่ออกเลยว่าเคยพูดอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ได้อย่างไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเออแล้วบอกว่านั่นคําของท่านมันจะเป็นไปได้อย่างไงเราไม่เคยมีความคิดแบบนี้เลย ก็เขาก็จำเขาเรียกว่าจําหัวก็ไม่ได้จำท้ายก็ไม่ได้เนี่ยนะก็คือคือเหมือนงูเนี่ยถ้าหาว่าจํางูไม่ตลอดสายแล้วงูเหมือนอะไรถ้าตัดเอาแต่หัวไปมันจะเป็นยังไงถ้าตัดเอาแต่กลางไปถ้าเอาแต่ท้องไปคือคือเอาถ้าเอาไปไม่เต็มองก็เนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันมันคนที่ทรงจําก็เหมือนกันแล้วเก็บที่นี่ไปถามที่นั่นเก็บที่นั่นไปถามที่นี่ถามไปถามมามั่วยุ่งมีใครรู้จริงเลยเลิกศึกษาธรรมะดีกว่าทําไงให้เล่นกีฬาดีกว่าเห็นอะไรก็เลยไปแล้วกันเนี่ย ค, คือบางทีนี่เอาจนตัวเองตกจากธรรมวิีไนไอตรงนี้ต้องระวังให้ดีๆเพราะฉะนั้นไม่งั้นอุท ธ, ธ, าธาจักกุกุจะเนี่ยนะความฟุง้งซ่านลำคาเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามจับให้มั่นเนี่ยนะจับให้มั่นคําว่าจับให้มั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าควรจะสอนว่าอย่างไรคําสอนว่าอย่างไงคําสอนว่าอย่างไ ร, ไงไรกลับไปหาพระพุทธเจ้าตามเดิมนั่นแหละพุทธพจน์ตรัสว่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเบื้องต้นไม่สําคัญสําคัญให้กําหนดจดจําเถอว่าสิ่งเหล่านี้คําสอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร พยายามหาข้อมูลที่มาตรฐานที่สุดและทรงจําเอาไว้อย่าไปเที่ยวถามมั่วๆเนี่ยนะก็ยิ่งพระรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านไปอินเดียเนี่ยนะไปอยู่อินเดียแล้วก็ท่านก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้พูดภาษาแขกก็ไม่ได้ก็งงปลาๆเนี่ยนะก็ไปอินเดียไปยุคแรกๆเลยแล้วก็ขึ้นรถไฟที่ไปถึงกาลากตาเนี่ยนะก็ไม่รู้เรื่องว่าจะไปขึ้นรถไฟยังไงแต่ก็คืนนั้นก็ข้าวของเครื่องใช้ก็แทบจะหายหมดเพราะไป ก, ากลางกรดนอนเหมือนกัน เสร็จแล้วตอนหลังก็ได้ขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟเนี่ยนะจะไปพุทธไปโน่นแถวปัตตนะแถวโบกพุทธคยานน่นนะ ก, ก็ไปถามแขกแขกมันไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีใครตอบว่าไม่รู้แม้แต่คนเดียวไอคนหนึ่งก็บอกโน่นอีกนานกว่าจะถึงพอไปเลยไปแล้วก็ไปถึงใกล้จะถึงหรือยังก็บอกเลยมาแล้วก็นั่งรถกลับไปอีกเนี่ยนะใกล้จะถึงหรือยังก็เลยก็ว่าไปอย่างเนี้ย เคยไม่นั่งรถเมล์เนี่ยนะใครถ้าใครเคยสมัยก่อนนั่งรถเมล์ก็เหมือนกันเอ๊ะใกล้ถึงป้ายนั้นอย่งก็นั่งรถกลับไปกลับมาเนี่ยนั่งกลับไปกลับมาเนี่ย้คนบอกเนี่ยบางทีเราก็ต้องสอบถามเนี่ยนะคนที่เราจะถามต้องถามให้ถูกถามให้เป็นถามให้มันถูกคนถ้าถามไม่ถูกคนเนี่ยไม่ได้ทําให้ใกล้ขึ้นเลยเนี่ยนะจําได้วันก่อนอนนั้นที่ที่หนองบัวลําพูนะที่หนองบัวลําพูนั้นก็จะไปไหว้พระที่ ที่พระเจดีย์นะเขบัญธรรมพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงปู่รูปหนึ่งท่านไปสร้างเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็ได้พระธาตุมาจากสีลังกาก็จะไปกราบไปไหว้โอ้รู้จักชื่อสํานักถามเป็นอย่างดีเลยก็ถาม น, นะเป็นวัดหลวงปู่หลอดไปถามว่ า, าทางไปที่วัดหลวงปู่หลอดไปทางไหนคนนั้นก็ก็บอกดีนะเขาก็พูดถูกต้องหมดนะเขาบอกเออเนี่ยทางไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้นะ ทีนี้เราก็เดินทางมาไกลเราก็สงสัยเอ๊มจะถึงจริงหรือเปล่าก็แวะถามคนข้างทางซะหน่อยก็าถามว่าเราก็เกือบไปถึงเจดีย์นะถ้าเราไม่ถามมันอีกสักสามสี่กิโลเราก็ถึงเจดีแล้วก็แวะถามผู้หญิงข้างทางเขมตอบชัดฉชัดเจนแจ่มใสบอกคุณเลยมาแล้วอโน่นมันอยู่ไปถนนไปเส้นไปอุดรคำว่างั้น เราเพิ่งมาจากสนนเส้นอุดอรเนี่ยนะเขาก็ชี้กลับไปอุดอรแต่มันพูดจริงจังน่าเชื่อมากเน่ยนะไอความที่เราก็ไม่ไมคุยใครเคยไปเราก็เลยกลับรถเลยครับเนี่ยกลับรถให้มันไม่ใช่เนี่มันจะไม่กลับไปมันถ้ามีจริงมันก็มันก็ต้องเห็นป้ายสินะ่ะก็เลยแวะถามอีกคนหนึ่งก็บอกเลยคุณกลับไปทางเก่าเองนั่นแหละเออก็เลยมาอีกระยะหนึ่งก็ถึงเจดีเพราะฉะนั้นคนที่เราสอบถามเนี่ยนี่ถือว่าระวังนี่ขณะเรื่องธรรมดาง่ายๆเลยนะ เรื่องธรรมดาเหตุผลง่ายๆเนี่ยคนบางไกลหลายคนไม่ใช่ว่าเขาจะตอบถูกไปหมดบางทีเขาก็ตอบมั่วๆตอบนิ่มๆเหมือนกันปัญหาธรรมะยิ่งเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะเราก็ต้องอตั้งปัญหาที่สุดที่ควรเนี่ยถามให้ถูกคน